ท่านฟั่งที่เคารพคะ่ะช่วงเวลานี้รายการสันสนีสนทนาเรามาถึงช่วงที่สองแล้วผัดจากพระมาร์คชาคาวโรก็กําลังจะเป็นพระภัยบู์อะพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนมัวสการกับท่านค่ะเช่พานเมื่อวานนี้มมนที่ดิฉันได้กราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวกับเปรตแล้วก็มาหยุดที่เรื่องของเปรตเนี่ยจริงๆแล้วยังอยากจะกราบเรียนถามต่อ โดยที่ขอทบทวนกับท่านฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าสืบเนื่องจากการที่มีหนังสือพิมพ์ลงว่ามีผู้ไปปฏิบัติธรรมณวัดแห่งหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าได้เห็นสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าเป็นเปรตแล้วก็หายไปเพราะการสวดมนต์และได้เห็นอยู่หลายครั้งและก็เล่าว่าเหมือนกับที่นั่นจะเป็นสถานที่ของสิ่งที่ท่านเรียกว่าเปรตเนี่ยเพราะว่าจะมีผู้ที่เข้ามาในวัดอย่างเช่นตำรวจมารักษาความปลอดภัยเคยเห็นด้วยท่านพิบูนค่ะตอบว่า อ่าเป็นไปได้ที่จะมีใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเพราะว่ามีแน่นอนในโลกใบนี้มีมีมีพระก็คือเราพูดตามพระพุทธชาพูดนะค่ะอ่าถ้าเห็นไม่เห็นนี่ย้อนเข้ไปอีกเรื่องหนึ่งนะนะแต่คนค่ะคือก็มาถึงตอนที่บอกว่าคนที่จะมีความสามารถในการเห็นถ้าเป็นคนที่มีศีลดีมีคนมีการปฏิบัติดีใช่ไหมคะใช่มีศีลมีสมาธิอันนี้จะเป็นเหตุให้มีตาทิพย์ได้ค่ะและดิฉันเนี่ยก็กราบเรียนถามท่านต่อว่า ถ้าใครเห็นแปลว่าเขาเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติมากกว่าคนที่ไม่เห็นใ น, นเรื่องของศีล ส, สมาธิใช่ตอบว่าใช่ใชงั้นแปลว่าถ้าเราไม่เคยเห็นเราก็เท่ากับยังไม่ได้ก้าวหน้าอย่างนั้นหรอคะท่านไม่แน่ไม่แน่คือผลของศีลสมาธิแลนะคือการก้าวหน้าของการปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าพูดถึงปัญญาอยู่อยู่หลายส่วนรนะเราพูดถึง อ, อย่างเช่น สมมุติการมีทิพย์ักดิสูตรเนี่ยแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งการมีทิพยยโสตต์อย่างเงี้ยหูทิพย์อย่างเงี้ยก็ผูา้าก็บอกแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนะการมีฤทธิ์ในการที่จะห่อเคลนดนอากาศเขบอกแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนะทั้งหมดทั้งสิน้นทั้นั้นก็ยังมีอันหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือการที่รู้ความสิ้นไปของอาสวะนะคืออาสวะขยายานอันนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนะที่นี้อ่ะฮะ ก่อนจะไปต่อไปที่ขออนุญาตหยุดตรงนี้เลยได้ไหมคะเพราะว่าเป็นประโยคที่ท่านตรัสไว้ซ้ํากันมากใช่ใช่ว่าความสามารถพิเศษเหล่านี้แล้วก็ต่อด้วยแม้นี้ก็กเป็ น, ป, นปัญญาของเธอประการหนึ่งตงุ๊กดาวอ่าภาษางดงามมากแต่ฟังไม่เข้าใจก็ได้เออก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งอ่ะคือศีลสมาธิ ป, ปัญญาในพระเจ้าสอนเนี่ยมีแค่สามรเรื่องปัญญาเนี่ยมันมีกินความกว้างปัญญาหนิเป็นอธิ ป, ปัญญาก็มี อธิปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่ยิ่งยิ่งละเอียดละเอียดขึ้นขึ้นไปปัญญานี่คือความรู้ความสามารถที่อาศัยจิตที่มีกําลังเกิดขึ้นเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงมีปัญญาอยู่หลายอย่างปัญญาที่เป็นความรู้ความสามารถที่เกิดจากสมาธิมีอะไรได้บ้างก็นิ่งตาทิพหูทิพมีฤทธิ์เหยออ้อนเดือนอาการอ่านใจคนได้พวกนี้เป็นปัญญาหมดเลยรวมถึงการทําอสุะให้สิ้นด้วยทีนี้ปัญญาที่สําคัญเนี่ยสำคัญก็คือปัญญาในการปล่อยวาง ปัญญาในการปล่อยวางตรงนี้คือสําคัญเพราะว่าอะไรจะทําให้จิตใจเราสบายจะไม่จตมิตใจเราสบายอย่างพระอนุรุธาเนี่ยมีตาทิพนะมีตาทิพจนกระทั่งสามารถส่องดูโลกธาตุพันหนึ่งก็ยังมาปรารกนาตัวเองว่าโอ้เราก็ยังไม่บรรลุสติยังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์สักทีจึงไปถามท่านภาษารีบุตรนะขนาดว่าท่านพระอนุรุธาเนี่ยมีตาทิพเป็นปัญญาประการหนึ่งนะแต่ไม่มีไม่มีปัญญาที่จะปล่อยวางตรงนี้ได้ก็จึงยังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหัน เนี่ยเราะนั้นไอ้อสวรขย้ายานที่ว่าเป็นปัญญาในการที่จะปล่อยวางได้หมดเนี่ยนะเนี่ยเป็นปัญญาที่สําคัญเพราะฉอย่างที่คุณโยมติ๋วบอกว่าไอ้คนที่รู้ที่เห็นเนี่ยถามว่ามีปัญญามากไหมก็ต้องตอบว่ามีไม่ไงั้นเขาจะไม่รู้ไม่เห็นในในการก้าวหน้าขอการปฏิบัตินั้นก็ตอบว่าใช่แล้วถาถมว่าถ้าคนที่ไม่มีถามว่าไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติไหมก็ไม่สามารถฟันธงได้เพราะอะไร ความก้าวหน้าในการปฏิบัติเนี่ยผู้เช่าพูดถึง see, อินทรีย์ภาวนาชันเลิศนะคือคุณสามารถปล่อยวางได้ไหมยอย่างในกรณีของพระนุรุทธะมีตาทิพย์มีปัญญานะแต่ยังปล่อยวางได้ไม่หมดนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์นในการวัดว่าก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าอยู่ที่ความปล่อยวางไม่ได้อยู่ที่ตาทิพย์หรือตาไม่ทิพย์ตาทิพย์พวกนี้เป็นความสามารถพิเศษที่อาจจะบ่งบอกได้ระดับหนึ่งว่าคุณมนะีแต่ถ้าเราปล่อยวางได้แล้วคุณไม่มีตาทิพย์ นั้นคุณก็ชื่อว่าก้าวหน้าเหมือนกันอเราเราจะรู้ได้ไงว่าเราปล่อยวางได้หรือไม่ได้เนี่ยค่ะจะกําลังจะเป็นคําถามต่อไปทีเดียวค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าอาตมามีเครื่องรู้ใจน ะ, ะมันเป็นคําถามที่ต่อเนื่องกันอก็ต้องตอบว่าลองโดนด่าดูสิลองโดนดา่ลดนดาลองโดนภาษาที่ไม่น่าพอใจเงินหาญาติตายเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หาย คุณจะจีทไหมนี่แหละถ้าคุณไม่จีดคุณไม่สะอึกคุณไม่อึ้งตึงหัวมึนเอาคุณมีปัญญาคุณมีความก้าวหน้าในการเภาหนามากทีเดียวค่ะแต่ยังไงก็จะต้องจำแนกนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคุ้นเคยกับการถูกทำให้จีทค <c oughs> อนักเข้าชินหรือจีดไม่ขึ้นแล้ว อันน ave, ั้นก็เป็นเห็นเขาเห็นตามปัญญาไงคุณโยมติ๋วอันนั้นก็เป็นปัญญาใช่เพราะว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราพยายามที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาบ่อยครั้งบ่อยครั้งถูกด่าแล้วก็จีตถูกด่าแล้วก็จีดจนกระทั่งเราชินแล้วว่าเออมันก็เท่านั้นแหละไอความชินตรงเนี้ยแสดงว่าคุณเห็นจนกระทั่งเห็นมันจริงๆแล้วว่าจริงๆมันคืออะไรมันไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าเราเผชิญหน้ากับปัญหาที่เราเจอใช่ไหมเผชิญหน้าบ่อยๆเห็นมมันาบ่อยๆจนกระทั่งว่าเบื่อวางทิ้งไม่เอาเราจึงปล่อยวางได้ไง นะคะแต่ว่าต้องพิจารณาให้ถ่องแท้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นการปล่อยวางในอีกลักษณะหนึ่งไปหลงคิดว่าใช่ก็เลยทําให้โอกาสในการที่จะพบกับการปล่อยวาง อ, อาจจะขาดความภาคเพียรพยายามและเข้าใจผิดนนในความรู้สึกอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากที่คุณโยมติวพูดมาเพราะว่าถ้าเราต้องดูเหตุของการที่เราจะปล่อยวางได้คือบางคนเซ็งเบื่อชีวิตแล้วก็แบบสังกตาย ศีลตัวเองก็ไม่มีแล้วตัวเองคิดว่าปล่อยวางได้หมดอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าความที่คุณไม่มีศีนลนะจะเป็นผู้ที่เข้าใจว่าได้บรรลุด้วยซ้นนยานะคือการปล่อยวางขึ้นอยู่กับศีลเหะอคะเหตุไงเหตุของการปล่อยวางคืออะไร ค, ะคือศีลกับสมาธิอ๋อสมาธิเนี่ยคือคือเหตุของการปล่อยวางก่อนคือสมาธิแต่สมาธิมันมาได้ไงคุณมาได้ไงสมาธิอ่ะก็ต้องมีความไม่ร้อนใจเพราะเราใจไม่ร้อนใจเราสบายแล้ว เราจะมีสมาธิคือจิตที่มีกําลังได้ค่ะทีนี้พอสมมติเราไม่มีศีลใช่ไหมจิตคุณก็ไม่มีกําลังหรอกบางทีมันบ้าๆบอๆด้วยซ้ำคิดว่าตัวเองได้บรรลุไงค่เพราะฉะนั้นเราดูสิว่าคนนั้นที่บอกว่าเอ้ยฉันบรรลุแล้วไอ้คุณคุณมีเหตุไหมคุณอาจจะแบบว่ากลายเป็นคนบ้าเหมือนคนบ้านะคนบ้าเนี่ยมันไม่ค่อยคือเหมือนกับว่าถูกด่าก็ไม่สะเทือนนะอถูกเขา แต่งตัวบ้าๆบอๆก็ถูกเขาด่าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนพระอรหันต์น่ะถูกเขาด่าก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันห่างกันมากเลยทีเดียวห่างกันมากๆเลยด้วยความที่พระอรหันต์เป็นคนมีศีลมีสมาธิคนบ้าไม่มีค่ะอ่าก็อยู่ที่ว่าต้องมีศีลอ่าคือจะต้องมีสมาธิแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการจะมีสมาธินั้นต้องมีศีลก่อน่ ก็ลเลยชักอยากจะเป็นคนที่มีความสามารถในการปล่อยวางเฉพาะบ่มตัวเองให้มีสมาธิอยากจะรักษาศีลจังหวะดีเลยเทศ ก, กาลเข้าพรรษาท่านคะการจะรักษาศีลจำเป็นหรือไม่ว่าต้องไปรับศีลที่วัดรับศีลจากพระต้องอาราธนาศีลและถ้าไม่ใช่ที่เขาอาราธนาอาราธนากันนั้นอาราธนาเพื่ออะไร เอ่อทีนี้สมมุติว่าไม่มีไม่มีมมอตาตมาอยู่ไม่มีคุณสันสันนีใช่ไหม <คะ S 1> เวลาเราจะวิเคราะห์ธรรมะเนี่ยต้องสอนท่านผู้ฟังไปเลยว่าเออเราจะวิเคราะห์ธรรมะเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไง อ, อ, อันดับแรกก่อนเราพูดถึงศีนสีนสีนเนี่ยสีลคืออะไรนะศีลคือความเป็นปกติความเป็นปกตินะเรามีปกติชีวิตอยู่อย่างไรนี่คือความเป็นปกติที่พรุทธเจ้ากําหนดไว้ก็มีอยู่5ข้อใช่ไหมคือมีคุณมีปกติในการไม่ฆ่าสัตว์ มีปกติในการไม่ลักทรัพย์มีปกติในการไม่รื้อผิดในการไม่ดื่มน้ำเมาไม่พูดแกล้งไม่แกล้งกล่าวเท็จนใะมีปกติอย่างนี้ถามว่าปกติตรงพวกนี้มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ปากเราใช่ไหมอยู่ที่กายเร า, าใช่ไหมแล้วอะไรที่มาคุมปากกับคุมกายก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ใจเนะเพราะฉะนั้นศีลคือความเป็นปกติเนี่ยมันมาเริ่มมาจากที่ใจของเราในะใจของใครก็ใจของคุณโยมติว๋วใจของผู้ท่านผู้ฟังใจของตัวอาตมาเองใช่ไหม ที่จะมาเป็นผู้ที่มีความปกติอย่างนี้ได้เพราะถามว่าถ้าศีลอยู่ที่ใจแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ใจนะเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปเอามาจากใครเพ ร, ร, รมันเกิดขึ้นที่ใจถูกไหมอันนี้เราก็วิเค ร, คราะห์ตามตามลักษณะการทํางานของเขาทีนี้ที่เราไปขอจากพระขอจากพระเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ชัดเจนว่าบทเพีย้ยนชนะที่พระเจ้าสอนนมีรายละเอียดยังไงก็ก็ไปถามผู้รู้ นะผู้รู้ที่จะทรงคําสอนที่เขาบอกบอกกันมาก็คือสมณะนั่นเองคือพระสงฆ์คก็เลยไปถามจากพระสงฆ์ว่าเอเสียนมีอะไรบ้างความปกติมีอะไรบ้างนะพระก็บอกให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้อย่า ง, างี้อ๋อพอเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถนํามาปฏิบัติไดนะ้คือทรงไว้ในใจของเราได้แต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วนะคุณรู้อยู่แล้วคุณก็ทําได้เลยคดิฉันเคยไปร่วมในกิจกรรม อย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมค่อนข้างจะภายในที่มีพระสงฆ์มาอย่างเงี้ย น, นะคะาผ่านทีนี้ความที่เราคุ้นเคยในลักษณะที่ศึกษาจากพุทธวจนะทางตรงแล้วก็วิเคราะห์เอาเองเงี้ย น, นะคะก็จึงจะเดินก้าวหน้าไปถึงจุดที่จะให้พระสงฆ์เนี่ยแสดงธรรมอย่างรวดเร็วก็ถูกทัดทานทักท้ทวง จากคนที่เป็นเพื่อนนะนะคะก็บอกไม่ได้นะจะต้องอาราธนาศีลก่อนอออเพื่อที่จะทำให้คนที่จะฟังธรรมเนี่ยจะได้เป็นคนที่มีความสะอาดในกายในใจพร้อมที่จะรับสิ่งที่เป็นมงคลอืมแล้วคุณโยมติวทำยังไงในสถานการณ์นั้น ก็ทำสิคะอทําตามเขาค่ะแต่ว่าเป็นรายละเอียดที่ดีงงนะคะคือแบบก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว่าดิฉันเคยมีคนที่เห็นว่าเราสนใจธรรมะเนี่ยก็มาเชิญไปร่วมงานแต่ไม่ได้เชิญในฐานะให้ไปร่วมงานปกติแต่เชิญไปเพื่อที่จะให้ช่วยทํางานในระเบียบพิธีการทางสงฆ์ซึ่งฉันไม่ค่อยคุ้นเคยอะค่ะเอิบฟานก็ก็ต้องมีนิดหนึ่งคือถ้าเราพูดถึงคอนเท็กซ์ในลักษณะนี้เนี่ยนะ มันก็จะมีเรื่องอื่นมามามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราจะบอกว่าเรื่องพิธีกา ร, รตัดทิ้งเลยไม่ต้องเอานั่นะมันก็ได้อยู่ถ้าคนเขาเข้าใจ <c oughs> แต่สมมุติว่าในกลุ่มคนเพื่อนของคุณโยมติ๋วบอกว่าเอเอก็ตรงนี้เราเอาออกก็ได้เพื่อที่จะประหยัดเวลาทุกคนเห็นว่าเป็นกุศลธรรมทั้งหมดเลยถ้าจิตของทุกคนเป็นกุศลธรรมนั่นเป็นเวลาดีที่คุณจะคุณจะไม่ทําได้แต่ถ้า <c oughs> มีสักคนใดคนหนึ่งเห็นว่าอาการไม่ทําตรงนั้นเป็นนิมิตหมายของความที่จะเป็นอกุศลธรรมในจิตของเขางั้นเราก็ทําก็แล้วก นั่นก็คือว่าขอศีลก็ได้นะทำพิธีกรรมตรงนี้เพื่อจะให้จิตของทุกคนเป็นกุศลธรรมสิ่งที่เราต้องการนะสิ่งที่เราต้องเอาเป็นเบนชมาร์กเป็นเครื่องวัดเลยคือกุศลธรรมคุณยมติวอ uh huh. ไม่ไม่ใช่ว่าต้องมีพิติกรรมหรือไม่ต้องมีพิติกรรมต้องกราบหรือไม่ต้องกราบอยู่ที่คุณจิตคุณเป็นกุศลไหมค่ะจิตคุณเป็นสุศลไหมนั่นคือนิมิตหมายที่ว่านะค่ะก็เดี๋ยวฉันเข้าใจนะคะว่าการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนจํานวนมาก วินัยระบบระเบียบเป็นสิ่งที่จะทำให้สังฆนั้นหรือว่ากลุ่มนั้นเนี่ยงดงามทําอะไรก็เรียบร้อยนะคะทีนี้ท่านคะพอพูดมาถึงตรงนี้เรนคิดว่าประเด็นที่เราน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดกับการที่กราบเรียนถามท่านให้เปิดธรรมที่ถูกปิดให้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆกับธรรมะขณะที่ไม่มีพระสงฆ์ที่เรียนในเรื่องนี้มาอธิบายเรา เมื่อกี้ได้หลักอย่างนึงละว่าทําแล้วมีกุศลหรือเปล่าใช่ค่ะแต่อีกอันหนึ่งที่ท่านพูดถึงตอนสีนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าวิธีวิเคราะห์ธรรมะค่ะก็คือต้องไล่ไปว่าสีนี่คืออะไรเราต้องเข้าใจคําศัพท์ด้วยนั่น<ช>คือความเป็นปกติความเป็นปกติต่างนี้คือทางกายกับทางวาจาเราก็ต้องไล่ต่อไปว่าเอ๊ะอะไรมันมาคุมกายคุมวาจาคือคือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเราต้องไล่ไปหาเหตุให้ได้นะสาวหาเหตุสาวหาเหตุสาวหาเหตุ เหตุคืออะไรเราไปดูที่ตรงนั้นเราจะจัดการกับมันยังไงกระทำยังไงอย่างเงี้ยอย่างอย่างกรณีของคุณโยมติ๋วนิมนต์พระมาเอาต้องการอะไรเหตุ อ, อะไรคุณนิมนต์พระมาเอาให้มาเทศเอาแล้วมาเท ศ, เาาเทศเาบางคนก็จะมองว่าเอางั้นต้องมีศีลก่อนถึงจะฟังเทศได้ดีาบางคนก็จะบอกว่าเอางั้นประหยัดเวลาซะจะไ ด, ได้เทศได้เต็ ม, เ, มเอ่าเพราะฉะนั้นถามว่าสองคนเนะี่ยอันไหนถูกนะก็ทั้งสองคนถูกกันแหละถ้าคุณสามารถทรงกุศลธรรมได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็เอานั้นนะพวกที่คิดว่า เออเรานี้มนต์มาเทศจะได้เทศได้เต็ ม, เ, ตมเวลาอันนี้ก็ถูกของเขาเนะี่ยพวกที่บอกว่าเอ้งั้นเราจะฟังเทศเราทําจิตให้เป็นกุศลด้วยการรับศีลก่อนอันนี้ก็ถูกของเขาก็ถ้าเขาคิดว่าอันนี้เป็นกุศลธรรมนะ <นะ S 1> เพราะฉนะนั้นตรงเนี้ยเราจึงวิเคราะห์สาวต่อไปนะคือต้องสาวหาเหตุว่างั้นเถอนะนนี้เป็นหลักการของพระเจ้าอยู่แล้วเป็นหลักการที่ขอสรุปไว้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์กับเราเวลาที่จะทําในสิ่งที่ดีงามเกี่ยวข้องกับธรรมะ สาวไปหาเหตุไม่มีพระก็ไม่ว้าเวตัดสินใจได้ในขณะเดียวกันพิจารณาว่าเป็นกุศลหรือไม่แต่ฉันคิดว่าวันนี้ท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้ประโยชน์ไปพึ่งตนเองในเรื่องการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีก็ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณพระจันทร์เพรบุญอภิปุโนจากวัดปารดอนไฮโซอุดรธานีไว้เป็นอย่างยิ่งนะวันนี้นะคะกราบนมัส ก, การคะ่ะเชิญาน ท่านวันที่เคารพค่ะการที่เราจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้พระพุทธองค์ตัดไว้นะคะว่าให้เราเพึ่งทำแล้วก็วันนี้อย่างพิเศษไปอีกว่าจากการที่เค ย, เยไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะตัดสินได้ยังไงวิ่งไปหาพระก็ไม่สะดวกวิเคราะห์ตามที่ท่านเพยิบู์ให้ความรู้เราเลยค่ะ ส่วนเรื่องของพุทธวจนะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องสแสวงหาความรู้บทเพียนชนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะบางทีพูดแบบเราๆก็นึกว่าสรุปในฐานที่เข้าใจแต่กลายเป็นว่าไปทำให้ธรรมะคลาดเคลื่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเสียโอกาสจึงมีหนังสือพุทธวจนะนะคะที่จะให้ท่านศึกษาแล้วก็ได้อ่านกันอย่างประณีตประเป็นถ้อยคาที่พูดว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ผิดเพี้ยนนะคะเราจะมานาเสนอ สิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านในรายการสรรสริสนทนาสนท น, น, นาเรื่องพุทธวจะนะกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พุทธวจนะสวัสดีค่ะ